วันนี้เป็นวันศุกร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับสั่งให้พุทธบริษัทสาธุชนผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ภารกิจการทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจของตนเอง เพื่อละรื้อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปและหมดไปและให้สร้างความสุขที่ยังไม่มีในใจให้เกิดขึ้นมาจนเป็นความสุขที่สูงสุดการจะกระทา ภารกิจทางด้านจิตใจได้ยังเป็นที่จะต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆและถ้าเป็นไปได้ถ้าได้อยู่ในที่สงบสงัดที่ปราศจากเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็จะช่วยในการปฏิบัติให้เกิดผล ได้ดีได้มากยิ่งขึ้นไปด้วยการปฏิบัตินี้จำเป็นที่จะต้องมีที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากเรื่องแสงสีเสียงต่างๆที่จะคอยมารบกวนลืมคอยมาขาัดขวางการปฏิบัติทางด้านจิตใจสำหรับ ท่านที่ไม่ได้หยุดในวันพระอย่างวันนี้เนื่องจากเป็นวันทำงานก็ขอให้เปลี่ยนวันพระของท่านให้ตรงกับวันหยุดของท่านถ้าท่านหยุดวันเสาร์หรือหยุดวันอาทิตย์ก็ให้เอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นั้นมาเป็นวันพระเอามาใช้กับการ สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจเพราะจิตใจนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามากยิ่งกว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าร่างกายและสิ่งต่างๆนั้น เป็นของที่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปแต่ใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอมะตะเป็นสิ่งที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอด แต่ร่างกายและทรัพสมบัติเก้าของเงินทองต่างๆและบุคคลต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติล้วนเป็นสมบัติชั่วคราวจึงไม่ควรที่จะเสียเวลาให้มากกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันสิ้นสุดเป็นสิ่งที่จะมีต้องมีวันพัดพรากจากกัน ไม่สามารถที่จะครอบครองเอาไว้เป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดมีใจนี้เท่านั้นที่จะเป็นสมบัติของเราได้ไปตลอดแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดแม้ไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ตาม ใจก็ยังอยู่ต่อไปน่าจจะอยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่อย่างมีความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาใจของพวกเราเองนั่นเองถ้าพวกเรามีเวลาให้กับการดูแลรักษาใจอย่างเช่นในวันพระนี้ ถ้าเราดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะสามารถรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้กับการดูแลจิตใจของพวกเราบัวแต่ไปดูแลกับเรื่องของร่างกาย และทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพวกเราก็จะไม่มีความสุขในใจกันมีแต่ความทุกข์ใจความสุขใจความทุกข์ใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจที่เป็นสุขก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆใจที่มีความทุกข์ ก็จะอยู่ในอบายชั้นต่างๆอบายก็มีอยู่สี่ชั้นเดรัจฉานเรดอสุลกายและนรกผลที่เกิดจากการไม่ดูแลรักษาจิตใจปล่อยปละละเลยจิตใจให้ไปกะระทาในสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ ใจก็จะไปสู่ทุกขติหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ถ้าเราหมั่นดูแลรักษาใจทุกวันพระทำอย่างสม่าเสมอทำอย่างต่อเนื่องและอาจจะทำมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปเพราะเมื่อเราได้เห็นคุณค่าเห็นคุณประโยชน์ของจิตใจว่ามี ประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าร่างกายและทรัพย์สมบัติต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราก็จะได้เพิ่มเวลาให้กับการดูแลจิตใจสร้างคุณสร้างประโยชน์ทางด้านจิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนจะไปถึงขั้นระดับของพระอริยบุคคลก็เป็นไปได้ เป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆเช่นขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์การเป็นบุคคลต่างๆนี้ก็เกิดจากการที่เราเอาเวลามาให้กับการดูแลสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับจิตใจนั่นเองพระ อ, อริยบุคคลนี้ ก็มาจากบุคคลปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้กันทั้งนั้นท่านไม่ได้มาจากที่ไหนท่านก็เป็นปุถุชนทนธรรมดาแต่หลังจากที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้พบปะกับพระอริยสงสาวกทั้งหลาย ก็ทำให้เกิดมีศรัทธามีความอยากที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลบ้าง<ม>ก็จะให้ความสำคัญกับการศึกษา<ม>เพื่อที่จะได้รู้วิธีการปฏิบัติที่จะนำคุณทํานนำประโยชน์นำความสุขมาให้แก่จิตใจและ จำจัดความทุกข์ความเสื่อมเสียของจิตใจไม่ให้มีอีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างจริงจังดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่จิตใจอย่างจริงจังนี้เราต้องทำตลอด ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับวันพรานี้จะไม่ทำอะไรทำกิจอย่างอื่นเลยนอกจากกิจที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นรับประทานอาหารอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำความสะอาดสถานที่ละพักอยู่อะไรทำนองนี้เท่านั้นนอกจากนั้นเราจะเอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการศึกษา กับการปฏิบัติตามที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังผลมันถึงจะได้เกิดเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาและเมื่อเกิดมีผลปรากฏขึ้นมามันจะทำให้เรามีศรัทธามากยิ่งขึ้นมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นที่จะปฏิบัติมากยิ่งขึ้นไปตามลำดับนั่นเอง ดยงนั้นเราต้องทาวันพระนี้ให้เป็นเวลาของจิตใจทั้งวันทั้งคืนคือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเราจะใช้เวลาของวันพระนี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมวันพระนี้ตามหลักวิธีนับเวลา ตามหลักของพระพุทธศาสนานี้เราจะเริ่มต้นที่ตอนเช้าตอนสว่างเป็นการเริ่มต้นอย่างวันพระอย่างวันนี้วันพระก็เริ่มต้นประมาณเวลาหกโมงเช้าเวลาที่พระอาทิตย์เริ่มส่องแสงสว่างขึ้นมาเวลาที่ความมืดต่างๆหมดไปความมืดนั้นเป็นของวันเมื่อวานนี้พอ พอความมืดหมดไปความสว่างปรากฏขึ้นมาก็เป็นการเริ่มต้นของวันใหม่คือวันนี้ก็เป็นวันพระและวันพระนี้ก็จะไปสิ้นสุดลงในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระอาทิตย์ได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่องแสงสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งถึงจะเรียกว่าเป็นสิ้นสุดลงของวันพระ คือตลอดระยะเวลาประมาณยี่บสี่ชั่วโมงแต่เราไม่เริ่มต้นนับวันใหม่แบบสากลสากลเขาจะนับตั้งแต่เที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนไปก็จะเริ่มนับเป็นวันใหม่และไปสิ้นสุดลงในวันเที่ยงคืนของวันถัดไปทางาศาสนาสมัยโบราณเราไม่มีนาฬิกา เหมือนสมัยนี้ไม่มีเครื่องวัดเวลาเราเลยต้องใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์และการดับของดวงอาทิตย์เป็นการนับเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี่คือเวลาที่เราควรที่จะไม่ควรไปทำกิจอย่างอื่นเลยเรามีวันหยุดสองวันเราแบ่งมาให้กับวัด ทำภารกิจทางด้านจิตใจสักหนึ่งวันอีกวันหนึ่งก็แบ่งไปให้กับการทำภารกิจอย่างอื่นถ้าเราสามารถแบ่งเวลามาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจะได้มีการเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ขึ้นไปทางด้านจิตใจยอย่างแน่นอนเพราะว่าความเจริญความสุขทางจิตใจก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองถ้ามีการปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุผลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจก็จะต้องเกิดขึ้นมา ความทุกข์ความเสื่อมเสียของจิตใจก็จะหายไปหมดไปเพราะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนให้กําจัดความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจและให้สร้างความสุขและความเจริญของจิตใจหน้าที่ของชาวพุทธเหล่านี้มีอยู่ส่ ค่อด้วยกันในวันพระที่เราพึงจะกระทำกันคือหนึ่งให้ละการกระทำบาปต่างๆที่เรายังกำลังทำอยู่เสียบาปก็มีสองระดับระดับที่เป็นบาปแท้ๆและระดับที่เป็นเป็นญาติของบาปคือยังไม่บาปแต่ก็จะเป็นเหตุที่ จะพาให้ไปทําบาปก็คืออบายามุขต่างๆบาปก็คือการทำกระทําที่ผิดศีลละรมเรียกว่าบาปเช่นการฆ่าสัตว์สัตว์ชีวิตชีวิตของผู้นี้เราห้ามไปทําร้ายไปทําลายถ้าไปทําร้ายไปทําลายชีวิตของผู้นี้เรียกว่าเป็นการกระทําบาป เป็นการสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้แก่จิตใจข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์ข้อสองคือการลักทรัพย์หรือเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเจ้าของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตไปเอามาโดยไม่เขาไม่อนุญาตให้อย่าต่อหน้าลืมรับหลังก็ดีข้อสเราไม่ประพฤติผิดประเทณี ประเพณีนี็คือเรื่องของการร่วมเพศร่วมเพศนี้ประเพณีของมนุษย์คือตั้งร่วมกับสามีภรรยาของตนคู่ครองของตนเท่านั้นเพราะมันจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆทํามาถ้าไปร่วมเพศกับสามีภรรยาของผู้อื่นเขาหรือบุตรธิดาของผู้อื่นมันจะเกิดปัญหาตามมาได้ และมันเป็นการที่จะดึงจิตใจให้ลงต่ำกอบความเป็นมนุษย์ก็คือการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองเพราะสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีประเพณีเหมือนของมนุษย์เราไม่มีการสู่ขอเขาไม่มีการอยู่ร่วมกันเป็นคู่คู่เขาก็อยู่กันไปตามอารมณ์ความรู้สึกของเขา เขามีอารมณ์อยากจะอยู่กับใครอยากจะร่วมกับใครเขาก็ไปทำเขาไม่มีอารมณ์เขาก็ทิ้งกันอะไรกันไปมันทำให้เป็นสังคมที่แตกแยกไม่มีความสุขไม่เหมือนกับสังคมของมนุษย์ที่มีประเพณีอันดีงามอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นพึ่งพาอาศัยกันทั้งในยามสุขในยามทุกข์ เพราะมนุษย์เรานี้อยู่คนเดียวไม่ได้ยาเป็นต้องมีผู้อื่นพึ่งพาใส่คอยดูแลกันผัดกันสุขผัดกันทุกเวลาคนนี้ทุกอีกคนก็ดูแลได้หรือเวลาอีกคนสุขอีกคนทุกผัดกันดูแลกันไปผัดกันดูแลกันมานิ่งมีครอบครัวด้วยมีลูกเต้าด้วย ก็จะอบอุ่นใจที่มีครอบครัวที่คอยพึ่งพาอาศัยกันและกันได้นี่คือประเพณีของมนุษย์การร่วมเพศกันจึงต้องร่วมเพศกับคู่ครองของตนเท่านั้นถึงยะเรียกว่าไม่ปิดไม่ผิดประเพณีแต่ถ้าไปร่วมเพศกับคนที่ไม่ได้เป็นคู่ครองนี้ก็เป็นประเพณีของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาจะ ร่วมกับใครก็ได้ร่วมแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันไม่มีภาระรับดูแลเลี้ยเวลาลูกออกมาก็ไม่รู้ว่ามีลูกไม่เลี้ยงดูลูกปล่อยให้แม่ผู้คลอดลูกออกมาเป็นผู้เลี้ยงดูสัตว์ตัวเมีย น, นี้ต้องเลี้ยงลูกสัตว์ตัวผู้นี้ไม่มีความรับผิดชอบแต่อย่างใดนี่คือข้อสามอย่ากระทำพฤติประพิตผิดประเพณี ข้อสี่ก็อย่าไปโกหกหลอกลวงสร้างความเสียหายจากการโกหกหลอกลวงของเราให้กับผู้อื่นว่ไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาเป็นการกระทาบาปบาปแปลว่าการกระทาที่สร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทาบาปมีสี่ข้อใหญ่ๆ ส่วนข้อห้านี้ท่านเป็นเ็าเรียกว่าเป็นอบายมุกการเสพอบายมุกคือสุรายาเมาเป็นเหตุที่จะทำให้ผู้เสพขาดสติไม่สามารถควบคุมความคิดความพูดความกระทำต่างๆของตนเองได้ซึ่งเวลาเสพแล้ว ความคิดมักจะคิดไปในทางที่เสียหายแก่ผู้อื่นพอคิดแล้วก็จะพูดออกมากระทำออกมาเพราะไม่มีสติยับยัง้งเพราะไม่รู้ว่ากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำอะไรอันนี้จึงต้องมีบัญญัติไว้ในข้อห้ามในศีลห้าข้อที่ห้า เื อ, อยเสพตลายาเมานอกจากอบายามุข ค, คือการเสพสัลายาเมาที่ควรที่จะงดเว้นแล้วก็ควรจะงดเว้นอบายามุขอีกสี่ข้อด้วยกันคือการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเกียดคร้านและการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตร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 การกระทำเหล่านี้ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจหรือร่างกายแต่อย่างใดเพราะเป็นการกระทำที่ไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่จะเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปไม่ช้าก็เร็วก็จะหมดเนื้อหมดตัวเนื้อเงินทองขาดแคลน แล้วก็จะทำให้เป็นเหตุให้ไปทำบาปเงินทองไม่พอใช้ก็ไปลักขโมยไปป้นไปจี้ร้านทองมีข่าวอยู่เรื่อยๆเกิดจากการเสรระบ๊วยมุกนี่ทําไมตํารวจเวลาจับได้ถามว่าทําไมถึงมาป้นมาจี้เป็นหนี้การพนันไปเล่นการพนันเวลาได้ก็โลภอยากได้มากก็เล่น เล่นเพิ่มขึ้นไปเมื่อมีเงินมากขึ้นคิดว่าตัวเองเก่งได้มากก็เลยอยากจะได้มากกว่านี้ก็เอาเงินที่ได้มาเล่นต่อเล่นไปเล่นมามันก็ต้องมีวันเสียแหละมันไม่มีวันที่จะได้ทุกเวลาพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เลิกไม่ได้เวลาได้ก็อยากได้ได้เพิ่มมากขึ้นเวลาเสียก็อยากได้คืนก็ต้องติดกับการเล่นการพนันไป จนในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหมดทองพอหมดเงินหมดทองมันอยากจะได้เงินที่สูญเสียไปคืนไปเ้าก็มีเจ้าหนี้มีมีการให้กู้หนี้ได้ก็เลยไปกู้หนี้ใหกู้หนี้แล้วหนี้ที่กู้มาก็หมดอีกไม่มีเงินใช้หนี้ทีนี้จะทำไงถ้าไม่ใช้เดี๋ยวก็ถูกซ้อมถูกทาร้ายร่างกาย แล้วอาจจะถูกฆ่าด้วยก็เลยอยู่ในภาวะที่จะต้องไปทำบาปไปล้นธนาคารไปจี้ร้านทองแล้วในที่สุดก็เกิดยิงกันอีกในร้านทองก็มีบางทีก็ยิงเจ้าของร้านตายก็มีหรือบางทีก็เจ้าของร้านก็ยิงเราตายก็มีหรือถ้าไม่ถูกยิงหนีไปเดี๋ยวก็ถูกตารวจจับอีก ถ้าไม่จับ ก, ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่แบบหวาดตัวอยู่แบบไม่มีความสุขไม่มีความรู้สึกปลอดภัยกับชีวิตของตนเองนี่แหละเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าต้องสอนให้พวกเราอย่าไปเสพอบา ย, ยมุขเพราะมันจะมีแต่พาให้เราไปทำความชั่วไปทำบาปกันนั่นเอง ถ้าเราไม่เสพอบายามุขนี่เหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปนี่มันลดน้อยลงไปมากแต่ก็ยังไม่หมดก็ยังต้องรักษาศีลเป็นตัวคอยกันไว้อีกชั้นหนึ่งไม่กระทำบาปคือรักษาศีลห้าไม่เสพอบายามุขแล้วโอกาสที่จะไปทำบาปสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนี้มันจะน้อยลงไปมาก นานๆอาจจะเกิดขึ้นสักครั้งเวลาเกิดภาวะที่เรียกว่าลูกแก่โทสะลูกแก่โลภะลูกแก่โมหะบางทีอยากจะได้อะไรมากๆขึ้นมาก็อาจจะหน้ามืดขึ้นมาได้ก็อาจจะไปทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการมาก็ได้หรือเกิดโทสะเกิดความโกรธที่รุนแรงใครอาจจะมาพูดมาอาจจะมาทําอะไร ที่ทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาโอกาสนั้นก็อาจจะทำให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไปทำบาปได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เกิดบ่อยมันนานๆานทีแล้วถ้าเราพยายามรักษาศีลอยู่เป็นประจำการรักษาศีนี้มันก็จะเป็นเหมือนกำแพงพอที่จะกั้นไว้อยู่ได้เวลาเกิดความคิดที่อยากจะไปทำบาป ท, ทาร้ายผู้อื่น ก็อาจจะรู้ว่าตอนเองนั้นถือศีลอยู่หรือการได้ศึกษาทมได้เข้าใจถึงการกระทาบาปว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นสิ่งที่จะพาให้จิตใจต้องไปเกิดในทุกขติอันนี้ก็อาจจะทำให้ไม่กล้ากระทาบาปก็ได้ เวลาที่โกรธหรือเวลาที่โลภหรือเวลาที่หลงอยากจะได้อะไรก็จะหักห้ามจิตใจไว้เพราะนึกถึงผลของบาปที่จะตามมาที่จะตามมาอย่างแน่นอนคือการไปเกิดในทุกขติแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องของการตายแล้วไปเกิดในทุกขติไปเกิดในอบายเพียงแต่คิดว่าตายแล้วก็จบ ถ้าตำรวจจับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใช้ใช้โทษอันนี้ก็อาจจะทำให้กล้าที่จะทำบาปได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมนั้นโทษมันมีสองระดับด้วยกันขณะที่มีชีวิตอยู่คือคือทำโทษทาร้ายผู้อื่นก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ก็มีไม่มากพอที่จะมาตามจับทุกคนได้ ก็คิดว่าอาจจะไม่ต้องอาจจะหนีได้หลบได้ก็ได้แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ทําคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่านอกจากการที่จะใช้โทษในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วยังมีโทษที่เราหนีไม่พ้นก็คือการที่จะต้องไปเกิดในทุกขติไปเกิดในอบายนั่นเอง ถ้าเรามีธรรมะคาสั่งคําสอนคอยเตือนใจเราก็จะมีฮิริโอตปาการที่จะป้องกันไม่ให้ทําบาปได้อย่างแน่นอนก็คือถ้าเรามีความรู้ว่าผลของการกระทําบาปนี้มันตามมาแน่นอนจะช้าหรือเร็วถึงแม้จะไม่ถูกจับติดคุกกิดตารางแต่ดวงวิญญาณของพวกเรานี่ หลังจากที่ร่างกายนี้ตาดรไปแล้วนี้จะต้องไปรับผลทันทีจากการที่เราทำบาปกันนี่คือสิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราไปทำบาปได้ก็คืออย่าไปเสพระบายามุกกันแล้วก็มีฮิริโอตตะปะมีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด การไปรับผลของกรรมของตนเองที่ได้กระทําไว้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว น, นี่คือสิ่งที่พูุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามปฏิบัติกันอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งครั้งก็ยังดีหนึ่งวันก็ยังดีเป็นจุดเริ่มต้นก่อนแต่เป้าหมายแล้วก็คือต้องการให้เราไม่ทำเลยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่วันพระก็ตามแต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำได้ทุกวันก็อย่างน้อยก็เอาสักวันหนึ่งก่อนก็ยังดีวันพระนี้พระเจ้าบอกว่าจงพยายามละการกระทำบาปที่เรายังทำกันอยู่ละการกระทำบาปละการเสพอบายามุกเสียหนึ่งวันหนึ่งคืนอันนี้เป็น ภารกิจข้อแรกข้อที่สองก็คือให้เราป้องกันบาปที่เราได้ละแล้วไม่ให้กลับไปทําอีกถ้าเรารักษาสิห้าได้แล้วเราก็อย่าไปละเมิดศิห้าถ้าเราเลิกเสพอบายามุกได้แล้วเราก็อย่ากลับไปเสพอีกเพราะว่าถ้ากลับไปเสพอี ก, ม, ก, กมันก็กลับไปเหมือนกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่เรา เราไม่ทำบาปมาแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็กลับไปทำใหม่มันก็เหมือนกับเดินถอยหลังเดินกลับเข้าไปในอบายเดินกลับเข้าไปในทุกขติทุกขติเป็นที่ที่เราต้องการที่จะเดินออกกันอย่าเดินเข้าทุกขติอย่าเดินเข้าหาอบายอย่าเดินเข้าหาภพของเดรัจฉานภพของเปรตของอสุลกา ย, กายของนรกเพราะมันเป็นภพที่ร้อน เป็นพบที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชนิดต่างๆการเป็นเดรัชานี่มันมันทุกข์มากกว่าการเป็นมนุษย์มนุษย์ถึงจะมีทุกข์บ้างแต่ก็มีสุขบ้างมนุษย์นี่มีทุกข์ห้าสิบห้าสิบทุกกับสุขประมาณห้าสิบห้าสิบหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าทำบุญหรือทำบาปกัน แต่เดืนรัชานี่มันจะมีทุกข์มากกว่าบุญมากกว่าความสุขเช่นเดียวกับเปรตอสุรกายและนรกนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการจะไปกันและเราจะปิดประตูบายได้ถ้าเราไม่กระทำบาปไม่กลับไปกระทำบาปใหม่ถ้าเลิกกระทำบาปได้เลิกเสพประบายยามุ่งได้ก็พยายามป้องกันอย่าให้กลับไปทำบาปใหม่ หรือเสพอบายมุกใหม่เวลาที่จะทำบาปเวลาที่จะเสพอบายมุกให้นึกถึงผลที่จะเกิดตามมาต่อไปดูตัวอย่างของผู้ที่เสพอบายมุกของผู้ที่ไปทำบาปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่เขาตายไปแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นสภาพของจิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ก็ขอให้เราเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและนึกถึงภาพของดวงวิญญาณของพวกเราที่จะต้องไปอยู่ในสภาพที่ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ซึ่งเราก็มีตัวอย่างให้เห็นได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่มีหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างของทุกขกติของอบายคืออะไร ก็คือเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันฝันร้ายฝันไม่ดีนั่นแ่ะถ้าเราฝันร้ายฝันไม่ดีในขณะที่เรานอนหลับนี่แสดงว่าใจของเรานี่มีบาป ท, ที่จะคอยผลักดันให้เราไปสู่สทุกขติเวลาที่เราไม่มีร่างกายก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับนี่แหละเวลาที่เรานอนหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกาย เราก็ปล่อยให้ใจอยู่ตัศจากร่างกายเพราะใจไม่มีร่างกายเป็นผู้ที่คอยส่งรูปเสียงกลิ่นรสอะไรมาให้เสพใจก็เลยใช้บุญหรือใช้บาปที่ได้ทำเอาไว้มาเป็นเครื่องให้ใจได้เสพถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปมันก็จะมีกำลังที่จะสร้าง เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีให้กับจิตใจได้เสพได้สัมผัสที่เราเรียกว่าเป็นการฝันร้ายอันนี้แหละคือตัวอย่างของสภาพของอาบายหรือของสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วดวงวิญญาณของพวกเรานี้ก็อยู่ในโลกของความฝันนี่ เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนหรอกสวรรค์นรกนี่มันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นเรื่องราวที่ใจของพวกเราจะผลิตกันขึ้นมาในรูปแบบของความฝันแต่ตอนที่เราฝันนี้เราจะไม่รู้ว่าเราฝันนะเราจะคิดว่าเราอยู่กับเหตุการณ์จริงๆสุขก็สุขจริงๆทุกข์ก็ทุกข์จริงๆเพราะไม่ไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกัน จะมารูก็ตอนที่เราตื่นพอตื่นขึ้นมาบางทีเราก็ลืมเป็เสียด้วยซ้ำไปพอตื่นขึ้นมาปุ๊บความฝันที่เราฝันในขณะนั้นก็หายไปหมดไม่รู้ว่าเราฝันอะไรบ้างก็มีแต่บางทีถ้าความฝันมันเป็นความฝันที่มีน้ำหนักมากบางทียังจําได้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บยังจําได้โอ้เมื่อกี้ฝันไปนี่วะอันนี้ ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเวลาเราตายไปก็เหมือนกับเรานอนหลับไปเราก็จะเข้าสู่โลกของความฝันไปแล้วเราจะตื่นอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อเรามาเกิดใหม่เวลาที่เราคลอดออกจากท้องแม่เนี่ยตอนนั้นพอเราลืมตาขึ้นมาโอ้เราตื่นขึ้นมาแล้ว่างนั้นความตายจริงๆก็คือการไปเปลี่ยนร่างกายดีๆนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลย เรื่องของของความตายถ้าเราเข้าใจหลักความเป็นจริงแล้วมั น, เ ป, นเป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนร่างกายสมัยนี้เรายังมีการเปลี่ยนอวัยวะกันได้ใช่ไหมก่อนจะตอนที่จะเปลี่ยนอวัยวะก่อนที่จะเปลี่ยนหมอต้องทำให้เราสรบก่อนให้เรานอนหลับก่อนพอนอนหลับแล้วเขาก็เปลี่ยนหัวใจให้กับเราเปลี่ยนปอดให้กับเราเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตให้กับเรา พอเขาเปลี่ยนเสร็จเขาก็หยุดยาสลบเราก็ฟื้นตื่นขึ้นมาเราก็ได้ชิ้นส่วนันใหม่โรคภัยที่เป็นอยู่จากการชำรุดทุดทรมหรือเสียหายของอวัยวะบางส่วนมันก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนกับหมอเขาให้ยาสลบเราเท่านั้นเอง หมอหนี้ก็คือโยมาบาลดีๆนี่เป็นผู้ที่ให้ยาสลบแล้วก็ให้เราแยกใจของเราออกจากร่างกายไปแล้วก็ให้เราไปรอรับร่างกายอันใหม่นี้ช่วงที่รอรับร่างกายใหม่นี้ก็เราก็ต้องอยู่กับความฝันอยู่กับบุญกับบาปที่เราฝันที่เราทำไว้ถ้าเราทำบาปมากกว่า บ, บุญมันก็จะมีหลายเรื่อง ฝันร้ายให้เราได้เสพได้สัมผัสนถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องที่ดีให้เราเสพให้เราสัมผัสไปจนการ บ, บุญที่มากกว่าบาปหรือบาปที่มากกว่าบุญนี่มันลดลงมาเท่ากันบุญก็เท่ากับบาปบาปก็เท่ากับบุญตอนนั้นเราก็จะไม่มีความฝันมามาให้เราได้เสพได้สัมผัส ก็เป็นช่วงที่เราจะรอรับร่างกายพอได้ร่างกายพอจากท้องแม่มาพอลืมตาก็เหมือนตื่นจากความหลับนั่นเองแต่ร่างกายนี้เปลี่ยนใหม่ร่างกายที่แก่อายุเก้าสิบร้อยปีหรือร่างกายที่เสียหายจากอุบัติเหตุหรือเสียหายจากโรคภัยไข้เจ็บร่างนั้นก็หายไปได้ร่างกายอันใหม่มาอันนี้แหละคือ เรื่องราวของจิตใจที่พวกเราถ้าไม่ศึกษากันเราจะไม่เข้าใจแต่มันไม่ใช่เป็นของลึกลับที่เหนือกว่าความสามารถของจิตใจของพวกเราที่จะศึกษาได้โดยเฉพาะถ้ามีใครที่เขาได้มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาพวกทั้งหลายแล้วมาสอนให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเดี๋ยวเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมกันเห็นสิ่งต่างๆที่พุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นกันเห็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเห็นเรื่องของทุกขติสุ ข, ขติว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันหรอกพวกเรามักจะคิดว่าสวรรค์อยู่บนท้องฟ้า นรกอยู่ใต้ดินสมัยนี้เขาก็มีนักวิทยาศาสตร์ส่งยานอวกาศขึ้นไปบนท้องฟ้าขึ้นไปก็ไม่เจอสวรรค์ขุดเจาะลงไปในดินก็ไม่เจอนรกเจอแต่น้ำมันเจอแตากา่ก๊าซมันไม่มีหรอกนรกสวรรค์มันไม่ได้อยู่ที่บนท้องฟ้าและอยู่ใต้ดินแต่มันอยู่ในใจของเรา อยู่ในสภาพของการฝันนี่เองในเวลาที่เรานอนหลับนี่เราจะมีหนังตัวอย่างคอยบอกเราว่าตอนนี้ใจของเรานี่มีอะไรมากกว่ากันถ้ามีบาปมากกว่าบุญเราก็จะมักจะฝันร้ายกันถ้ามีบุญมากกว่าบาปเราก็จะฝันดีกันมันก็เลยเป็นเครื่องที่จะคอยเตือนเราเหมือนกับมาตวัด อ่น้ำมันในรถเราเวลาเราขับรถไปนี่เราต้องคอยสังเกตดูที่มาด น, น, น้ํามันตอนนี้น้ํามันเหลือเท่าไหรล่แล้วถึงขีดแดงหรือยังถ้าถึงขีดแดงก็สแสดงว่าต้องรีบไปเติมนะเไม่งั้นเดี๋ยวรถมันไม่มีน้ํามันมันก็วิ่งไม่ได้เใจของเราก็มีมาตรวัดความความดีความชั่วที่เราได้ทําไว้คือบุญบาป ท, ที่เราได้ทําไว้เ ด้วยการแสดงในขณะที่เรานอนหลับแล้วฝันไปนี่ถ้าเราฝันดีก็แสดงว่ายังอยู่ในชอยู่ในช่วงสีเขียวอยู่น้ามันยังเต็มถังหรือยังเกือบเต็มถังอยู่แต่ถ้าเริ่มเข้าสู่สีแดงนี่มันบอกว่าใจเราเริ่มไปทางอาบายแล้วนะใจเราเริ่มร้อนแล้วใจเราไม่แต่เรื่องบามาคอยสร้างความฝันให้เราให้กับเราดันั้นอันนี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะใช้เป็นเรื่องเตือนใจเราได้ถ้าวันไหนฝันร้ายก็รีบไปเข้าวัดเสียรีบไปทําบุญทําทานรีบไปรักษาศีลรีบไปปฏิบัติธรรมเถอะแล้วเดี๋ยวไม่นานฝันร้ายมันก็จะหายไปแล้วก็จะมีฝันดีตามมาผลของบุญของบาปนี่มันอัตโนมัติไม่ต้อง ไม่ต้องมีใครมาเป็นคนมาคอยให้รางวัลเราหรือลงโทษเรามันเป็นเหมือนกับเครื่องปรับอากาศดีๆนี่เองถ้าห้องเราร้อนเราเปิดเครื่องปรับอากาศปับ๊บเดี๋ยวห้องเราก็เยน็นถ้าเราปิดเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวห้องมันก็ร้อนกลับขึ้นมาใหม่ใจเราก็เป็นเหมือนห้องนี้เวลาเราสร้างบุญสร้างกุศลเราก็เปิดเครื่องปรับอากาศความเยน็น เวลาที่เราทำบาปแล้วก็เปิดเครื่องทำความร้อนเครื่องทำความร้อนถ้าอยู่ในช่วงหน้าหนาวอย่างตอนนี้มันก็มีคุณประโยชน์แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่มันร้อนแล้วไปเปิดเครื่องทำความร้อนด้วยมันยิ่งเป็นภัยอันตรายแะนี่คือสิ่งว่าเป็นสิ่งที่จะทาให้เราเชือ่อเรื่องบุญเรื่องบาปได้อย่างไม่ลังเลสงสัยถ้าเราได้ปฏิบัติต้องปฏิบัติขั้น สมาธิขึ้นไปนะมันถึงจะเข้าถึงเรื่องของบุญของบาปที่ปรากฏอยู่ในใจของเราได้แต่ถ้ายังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นก็ต้องอาศัยศรัท ธ, ธาไว้ก่อนเชื่อคนที่เขาได้มีประสบประการณ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายนะท่านหลังนี้ท่านมองเห็นบุญเห็นบาปนนะ ถ้าเห็นนรกเห็นสวรรค์เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมที่ร่างกายของเรามองไม่เห็นกันตาของร่างกายนี้มองได้แต่รูปรูปต่างๆที่มีอยู่บนโลกนี้เห็นต้นไม้ภูเขาใบหญ้าเห็นน้าทะเลเห็นอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถมองเห็นโลกทิพย์ได้ไม่สามารถมองเห็นโลกของดวงวิญญาณของจิตใจได้จะต้องเข้าไปสู่การ ภาวนาต้องเข้าสมาธิถ้าจิตเข้าสมาธิแล้วจิตก็จะเข้าไปสู่ในโลกทิพย์ได้จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ดังนั้นตอนต้นนี้ถ้าเรายังไม่เห็นอย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธว่าบุญไม่มีบาปไม่มีผลของบุญผลของบาปไม่มีเป็นเรื่องเพ้อเจ้ออันนี้ไม่เพ้อเจ้อเป็นเรื่องจริงไอเรื่องของพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องเพ้อเจ้อทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กัน เรื่องของเราคิดว่าเราจะสวยจะ ง, งามไปตลอดนี่ก็เป็นเรื่องเพอเจอร์เราจะร่ําจะรวยไปตลอดนี่มันก็เป็นเรื่องเพอเจอวันดีคืนดีมันก็จนขึ้นมาได้วันดีคืนดีก็เกิดอุบัติเหตุทําให้เสียโฉมได้มันมีอะไรเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครคาดฝันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ยากดีมีจนจะสูงจะต่ําเรื่องของกฎแห่งกรรมนี้เวลามันจะแสดงผลนี่ เรื่องของอุบัติเหตุบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมเรื่องที่เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับร่างกายบางทีมันก็เป็นเรื่องของอุบัติภัยอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องของความไม่ปกติของทางร่างกายร่างกายของเรานี้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะทํางานได้ดีไปตลอดหรือเปล่ามันดีเกินดีมันอาจจะเสียขึ้นมาเหมือนรถยนต์รถยนต์บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียเมื่อไหร่ บางทีก็เสียเร็วบางทีก็เสียช้าได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่งกายก็แบบเดียวกันยันนี่แหละคือเรื่องเพอเจอที่จะไปคิดว่าเราจะรวยไปเรื่อยเราจะสวยจะหล่อไปเรื่อยเราจะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปเรื่อยเราจะมีอายุอยู่ไปได้เรื่อยๆไม่มีวันตายเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องเพอเจอถ้าเรายังคิดอย่างนี้อยู่ เราต้องคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับชีวิตของเราเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี้แน่นอนต้องคิดอย่างนี้ร่างกายเราต้องกายต้องแก่อย่างแน่นอนต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างแน่นอนและต้องตายอย่างแน่นอนถ้าเรารู้แล้วเราจะได้มีวิธีที่เราจะทำให้เราแก่อย่างสบายเจ็บอย่างสบายตายอย่างสบายได้ถ้าเรามาศึกษา และมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเนี่ยถ้าเราทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํากิจ4ี่ข้อนี้ได้เนี่ยต่อไปเวลาร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนี้จะรู้สึกสบายไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บก็แยกออกจากใจได้ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายร่างกายแก่ใจก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายตายร่างใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็ไม่เครียดใจก็ไม่ทุกข์ที่เครียดกันที่ทุกข์กันก็เพราะว่าไม่รู้ความจริงนั่นเองไปคิดว่าร่างกายเป็นเราซินี่แหละคือความคิดเพ้อเจ้อไปคิดว่าร่างกายอันนี้เป็นเราความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่เป็นเราเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นเหมือนต้นไม้เป็นดินน้ำลมไฟที่ใจมาครอบครองไว้เป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเอง อันนี้สิ่งคือ ส, สิ่งที่เราต้องเชื่อเชื่อผู้ที่รู้ผู้เห็นอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเพอเจ้าเป็นอันขาดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้นและเป็นความจรงิ ง, จรงที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยแต่ต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติไม่มีวิธีอื่นที่จะทําทให้เราสามารถพิสูจน์คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้นอกจากการ พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเนช่นทรงสอนให้เราละการกระทำบาปละการเสพอบายามุขลองทำไปดูสิแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตใจเราสบายขึ้นสุขขึ้ น, นความทุกข์ความวุ่นวายใจมันจะน้อยลงไปอย่างข้อแรกก็คืออย่าทำบาปยอย่าเสพอบายามุขถ้าเลิกได้แล้วก็อย่ากลกกับไปทำมันอีกพยายาม ใช้ความศรัทธาที่ที่ที่เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำบาปจากการเสพอบา ย, ย่ังมุกว่าจะทำให้ดวงวิญญาณของเรานี้ลงต่าลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ของเราทำให้เราไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นศสุรกายเป็นนรกนขึ้นมา ถ้าเรามีศรัทธามีฮิริมีโอต ป, ปะมีความกลัวกับผลของการกระทำบาปเราก็จะยับยั้งเวลาที่เราคิดจะไปทำบาปหรือคิดจะไปเสพอบายามุกได้ <Yeah. S 1> อันนี้คือส่วนของการลดความทุกข์ให้น้อยลงไป <Yeah. S 1> ด้วยการไม่ทำบาปด้วยการไม่เสพอบายามุกแล้วก็ทรงสอนให้เราเพิ่มความสุขของใจให้มีเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆข้อที่สก็คือให้สร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่มีที่เรายังไม่ได้สร้างกันถ้าเรายังไม่เคยทำบุญทําทานลองทาบุญทาทานดูถ้าเรายังไม่เคยทำความดีอย่างอื่นเช่นการฟังเทศฟังธรรมก็ลองฟังเทศฟังธรรมกันดูถ้าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ลองมาปฏิบัติธรรมกันดู นี่คือวิธีสร้างความสุขให้กับจิตใจตามกําลังของเราจากจากง่ายไปหายากการสร้างความสุขด้วยการทําความดีด้วยการเสียสละแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการให้เงินให้ทองให้ข้าวของแก่ผู้อื่นหรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นก็ได้ทําอย่างไรที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ความยากลําบากความเดือดร้อนของผู้อื่น ถ้าเรามีความสามารถที่จะทําได้พอทําแล้วทําให้ผู้นี้เขาหายทุกข์หายยากลําบากมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาอิ่มใจขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปช่วยหรือจากองค์กรอะไรต่างๆไม่ต้องรอให้เขามาให้รางวัลเราเช่นช่วงนี้ทุกปลายปีนี้จะมีการให้รางวัลนูเบลกัน คนนี้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราไม่ต้องมีให้ใครมาให้รางวัลการทำความดีนี้ความดีจะให้รางวัลกับใจของเราทันทีเหมือนกับเครื่องปรับอากาศเนี่ยพอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปั๊บเนี่ยมันก็จะให้ความเย็นกับห้องทันทีพอเราทำความดีปั๊บเนี่ยมันก็จะให้ความเย็นความสุขใจทันที แล้วมันก็จะสะสมอยู่ในใจเวลานอนหลับนี่มันก็จะทำให้เราเริ่มฝันดีมากกว่าฝันได้ได้ถ้าเราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆทำคุณทำประโยชน์ให้กับเพื่ อ, อนเรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลมันมีหลายรูปแบบด้วยกันเพราะการให้มันเราสามารถให้อะไรหลากหลายไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นเงินทองเป็นทรัพย์สินอย่างเดียวอย่างอื่นก็ให้ได้ให้แล้วทาให้เขามีความสุข ทำให้เขาไม่มีความทุกข์ทำให้ความทุกข์ของเขาลดน้อยลงหหายไปได้อันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในระดับของทานคือการให้การแบ่งปันการเสียสละซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายเป็นขั้นแรกของการทําความดีอยากให้ด้วยความกตัญญูกตเวทีก็ได้คนที่มีพระคุณกับเราเราก็อยากจะให้เขามีความสุข ถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้เราก็มีอะไรก็แบ่งให้เขาไปหรือถ้าไปช่วยเหลือเขาได้เวลาที่เขาขาดแคลนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราไปช่วยบรรเทาความขาดแคลนเดือดร้อนให้กับเขาได้นี่อันนี้ก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลได้ไม่ต้องเข้าใจว่าอย่าไปคิดว่าต้องสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดเพียงอย่างเดียว ต้องใส่บาตต้องถวายสังฆทานต้องสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถวายผ้ากรถินถวายผ้าป่าอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็นทางเดียวของการสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งที่เหตุที่เรามาทำบุญที่วัดกันก็เพราะว่าเราให้ความสำคัญของวัดเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าวัดนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นเหมือนโรงพยาบาลของใจ เวลาเรามีความทุกข์ใจนี่ไม่มีที่ไหนที่จะดีเท่ากับการไปอยู่วัดไปรักษาใจของเราถ้าไม่มีวัดอยู่เราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนกันนั้นสิ่งแรกที่เราต้องดูแลรักษาก็คือโรงพยาบาลของใจของเราก่อนก็คือวัดวาอารามต่างๆเราต้องดูแลหมอหมอที่จะมารักษาใจของเราคือพระสงฆ์องค์เจ้า ทั้งที่เป็นนักศึกษาหมอกับเป็นทั้งที่เรียนจบแล้วพระนี่มีสองระดับระดับที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่คือพระที่บวชใหม่บวชแล้วก็ยังยังไม่บรรลุผลยังเรียนไม่จบแล้วก็พระที่บวชแล้วนานแล้วปฏิบัติจนกระทั่งจบแล้วพอจบแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอคอยรักษาโรคใจของผู้่นต่อไป อันนี้เราต้องมีเราต้องมีพระทั้งพระที่เป็นนักศึกษาและพระที่เป็นอาจารย์เพราะว่าพระที่เป็นอาจารย์ก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพระที่เป็นอาจารย์ก็ต้องตายไปไ <erne. S 1> ก็ต้องมีพระใหม่มาทดแทนมีอาจารย์ใหม่มาทดแทนนี่เราก็ต้องดูแลทั้งสองระดับพระที่เป็นพระที่เป็นนักศึกษานักเรียนและพระที่เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยกันนี่แหละ ถวายปัจจัยสี่ชนิดต่างๆที่เหมาะกับของพระคือเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราพอเพียงอาหารก็พอเพียงเครื่องนุ่งห่มก็พอเพียงที่อยู่อาศัยก็พอเพียงยารักษาโรคที่พอเพียงก็พอแล้วสถานที่ที่จะประกอบกับกิจกรรมทางศาสนาเช่นมาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องมีที่หลบแดดดอบฝน อะไรทํำนองนี้ต้องมีศาลาทำรรกิจกรรมศาลาปริศาลาการกบฉันศาลาการแสดงธรรมศาลาการปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์อะไรนั่งสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของการทำรูปบํารุงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นความจริงเป็นการทำรูปบํารุงโรงพยาบาลใจของพวกเราเพราะไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งใจของพวกเราจะต้องทุกข์กันเราก็ต้อง มีที่ไปกันมีที่ไปรักษากันมีหมอที่จะคอยสอนมีมสอนหรือมารักษาให้ใจของเราหายทุกข์กันอันนี้เราถึงต้องทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับวัดก่อนแต่ถ้าเกิดว่าวัดท่านมีพอเพียงแล้วมีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่ได้ทำให้วัดทํ ท, ทคุณทำประโยชน์ได้มากไปกว่า น, นั้นเราก็แบ่งไปให้กับส่วนอื่นที่เขาเดือดร้อนได้ เป็นไปที่โรงพยาบาลทางร่างกายก็ได้ร่างกายเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลก็ต้องมีแพทย์มีหมอมียารักษาโรค ก, ก็มีค่าใช้ใจ่ายเราก็ไปช่วยเหลือกันทางทางโรงพยาบาลหรือทางโรงเรียนก็เราก็ต้องมีนักเรียนที่มีวิชาความรู้จะได้ทำมาหากินโดยอาชีพที่สุดจริญ ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นเพราะถ้าเขาไม่มีความรู้ไม่มีอาชีพเงินทองเขาไม่มีใช้เขาก็ต้องไปเป็นมิจฉาชีพเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องดูแลกันไปทุกสัตว์ทุกส่วนตามความเหมาะสมตามความจำเป็นซึ่งการกระทำเหล่านี้เรารวมกันไว้ในบทของคาว่าบุญกุศลได้หมดบุญกุศลไม่ได้หมายถึงทาที่วัดอย่างเดียวทาที่อื่นก็ได้ แม้แต่ทากับสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์เวลาที่เขาไม่มีอาหารอะไรอย่างนี้ก็ให้เลี้ยงเลี้ยงไปไม่มีที่อยู่อาศัยถ้าเร า, มาเมตตาเขามาเลี้ยงได้ก็ามาเลี้ยงไปตามกำลังของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าเอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเราเพียงอย่างเดียวมันไม่มีความสุขมากเท่ากับการที่เราดูแลคนอื่นด้วย ดูแลตัวเราด้วยแล้วก็ดูแลคนอื่นด้วยมันจะเพิ่มให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขที่มากกว่านี้ก็มีบุญกุศลอีกระดับหนึ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนานี่การภาวนาก็เนี่ยคือการเจริญสตินั่งสมาธิ ท, ทาใจให้สงบให้ได้ซึ่งเราก็ต้องมีสถานที่เช่นวัดนี่เป็นที่ปฏิบัติ มีที่พักที่อยู่อาศัยและมีที่เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่เราจะได้ทําจิตใจให้สงบเพราะถ้าเราทําจิตใจให้สงบได้แล้วใจเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องมีเงินทองไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เรามักจะต้องอาศัยเงินทองไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จาเป็น ซือมาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดความหมายไปสู้เอาเวลานี้มาให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติดีกว่าจเจริญสติเพราะสตินี้เป็นธรรมที่ยังเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นําพาจิตใจให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่สมาธิได้ถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับรถรถรถที่ไม่มีเครื่องยนต์ รถที่ไม่มีเครื่องยนต์นี้ต้องมีรถลากเช่นเวลารถเสียเวลารถเราเสียกลางทางนี้ต้องโทรไปเรียก อ, อู่ซ่อมให้เขามาลากไปหรือมายกขึ้นไปพาไปซ่อมดังน้ใจของเราถ้าจะเข้าสมาธินี้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงเข้าไปถ้าไม่มีสตินั่นงสมาธิไปจามันตายก็เข้าไม่ได้ครับมีแต่คิดฟุ้งซ่านไปตลอดเวลาการฝึกสตินี้ก็ฝึกเพื่อทาให้ใจเราไม่คิดอะไร พอใจเราไม่คิดอะไรใจเราก็เข้าสู่ความสงบได้เราก็จะได้ความสุขระดับของสมาธิแล้วยังมีความสุขที่สูงกว่าระดับของสมาธิก็คือระดับปัญญาระดับปัญญาก็เกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันนี้ฟังเทศฟังธรรมเราพอเราเข้า อ, อกเข้าใจเรื่องใดแล้วก็ทำให้ใจเรามีความสุขทำให้เรามีความ มีมีมีความหวังว่าเออเรารู้แล้วว่าที่เราทุกทุกเพราะอะไรตอนนี้เราสามารถแก้มันได้แล้วเราอยากจะมีความสุขให้มากขึ้นต้องทําอะไรเราก็ทําได้อันนี้ก็เรียกว่าปัญญาปัญญาก็ขั้นต้นก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแล้วขั้นต่อไปก็เอามานึกเอามาคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วต่อไปมันก็จะเป็นปัญญาที่จะทําให้เรา กำจัดเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราได้ก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะกําจัดความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอย่างถาวรและสร้างความสร้างความสุขให้กับใจไปอย่างถาวรคือความสุขของพระนิพพานนี่ก็จากการเจริญสตินั่งสมาธิก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาเจริญปัญญาอีกต่อหนอึ่งกาเจริญปัญญากําจัด กิเลสปัญหาให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาว่างไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปชดใช้กรรมในอบายหรือในสวรรค์อีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาทำหน้าที่ของชาวพุทธตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอ น, สอนคือละการกระทาบาปและอบา ย, ยมุข ป้องกันบาปอวาัายามุกที่เราได้ละแล้วไม่ให้กลับขึ้นมาใหม่สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันไม่ให้บุญกุศลที่เราได้สร้างไว้หมดไปเสื่อมไปด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะตาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุป ก, ะกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิดเมวะสมิจจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธาเมณิโชตอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมัเตยพาวะตวันตาาโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังุทาปจายโน ยะตาโรธรรมวทังติอายุวันโอสุขังภาลัาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ เพราะเป็นช่วงเดียวที่เราจะมีโอกาสได้คุยกันได้ถามตอบคำถามกันเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกเพราะจะต้องมีการทำเก็บข้าวเก็บของอะไรกันงั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรจะถามเองก็ได้เข้ามาถามที่ข้างหน้านี้หรือถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางยูทู e ก็ได้เหมือนกันแล้วจะมีทีมงานช่วยนำเามาอ่านทามวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้รับฟังทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ446ยูทูบพระสุชาติไลฟ์277ยูทูบด็อกเตอร์วี103วิทยุออนไลน์6 คลับเ13ผู้รับฟังด้านหน้ากุฏิ89คนรวมทั้งหมด934ครับถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้เลยคำถามจากคุณจรัญญามีสองคำถามครับคำถามแรกตอนนี้โยมกำลังสู้กับกิเลสความโกรธเราช่วยพี่ชายและพี่สะพ้ย พองานเสร็จเรียบร้อยก็โดนตําหนิในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการงานมยมรู้สึกน้อยใจตอนแรกเกิดความโกรธตอบทันทีสักพักตั้งสติได้เพราะเขาไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าไม่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดควรให้อภัยเขาเพราะเขาก็เป็นธรรมชาติดิดนน้ําลมไฟเหมือนเราพอปล่อยวางได้ครับทําถูกต้องแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่ถูกเต็มที่นะ ก็ถูกเต็มที่มันเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาขอบใจเราอยากให้เขามีความสํานึกในบุญคุณของเราซึ่งเราก็บังคับเขาไม่ได้เขาก็เป็นเหมือนธรรมชาติดินน้ําลมไฟคนบางคนก็มีมีความกระตันอยู่บางคนก็ไม่มีบางคนก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรน เห็นเราต้องอย่าไปหวังอะไรจากเขาเราทําเพื่อให้เขาได้มีความสุขเราได้พ้นจากความทุกข์ยากลําบากต่างๆถ้าเราทําแค่นี้เราไม่หวังอะไรใจเราจะมีความสุขเพราะว่าการทําความดีมันเหมือนเป็นการเปิดเครื่องปรับอากาศในใจเรานี่แหละทําให้ใจเราเย็นทําให้ใจเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีให้มีใครให้รางวัลตอบแทนเรา ขอบอกขอบใจเราหรืออะไรหรือไม่พูดไม่ดีกับเราเรื่องเขานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เหมือนดินฟ้ากันดินมันจะถลม่มมันจะถล่มก็เมื่อไหร่ก็ได้น้ําจะท่วมเมื่อไหร่ก็ท่วมได้ยานเป็นสิ่งที่เราไปหวังอะไรจากเขาไม่ได้เราทําอะไรอย่าไปหวังผลตอบแทนจากผู้อื่นเพราะว่าเรารู้ว่ามันมีผลตอบแทนในตัวของมันแล้ว ทำความดีใจเราก็ดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นทําความเชื่อใจเราก็ต่ําลงมีความทุกข์มากขึ้นโดยเดีตโนมัสให้รู้แค่นี้ก็พอข้อสองมี้หคําถามที่สองเรามองทุกๆคนแม้เพื่อนร่วมงานคนที่เดินตลาดคนที่ขายของที่สี่แยกไฟแดงเป็นาธาตุเป็นธรรมชาติ เป็นดินน้ำลมไฟโยมก็เกิดความเมตตาขึ้นครับสบายใจขึ้นให้โยมทำอย่างนี้ต่อไปและตลอดไปถูกต้องไหมครับก็ต้องมองสองมิติคนเรานอกจากเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติแนละ้ก็ยังเป็นคนยังอยู่ในโลกของสมมติอยู่ยังมีความต้องการมีความอะไรอยู่ฉะนั้นบางทีการการะทำของเราเราก็ต้องอยู่ในกรอบของสมมติด้วย บางทีเขาก็ยังต้องการความเคารพจากเราอยู่เราก็ให้ความเคารพกับเขาถ้าเราเป็นผู้อ่อนกับเขาอะไรทำนองนี้ไม่ใช em องว่าเป็นเหมือนกันหมดเป็นดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดนะคืออันไหนที่เรายังปฏิบัติได้เราก็ทําไปนะแต่ถ้ามันอยู่ในระดับที่มันเกินที่เราจะทําอะไรได้เราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามดินน้ำลมไฟของเขาไปถ้าถ้ายังช่วยเหลือเขาได้อยู่ก็ช่วยไป แต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ก็ถือว่ามันเป็นสุดวิสัยเป็นเรื่องของเราไปช่วยธรรมชาติไม่ได้แต่ในระดับหนึ่งเราก็ยังช่วยกันได้อยู่น่างกายเดือดร้อนไม่มีข้าวกินอย่างนี้ถ้าเราไปมองว่ามันก็เป็นธรรมชาติดินน้ำลมไฟเรื่องของมันอันนี้มันก็จะจาจจืดใจดาไปแตมันมันมีสองมิตินะมีเขาเรียกปรมัจิตธรรมแล้วก็สมมติธรรมสมมติธรรมก็คือ เรายังเป็นมนุษย์เป็นเป็นคนเป็นอะไรอยู่ต้องการความสุขต้องการอะไรอยู่เหมือนกันอยู่ทุกคนฉะนั้นถ้าเรามีความเมตตาจึงต้องมีความเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันดูแลกันไปแต่ถ้าอยู่ในขีดที่เราช่วยเขาไม่ได้เช่นเขาเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรหรือเขานอนโคมา่าอยู่อย่างเงี้ยเราทําอะไรไม่ได้เราอยากจะไปทําเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเราก็ต้องปล่อยวางมองเขาว่าเป็นเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไป คำถามจากผู้ฝากถามครับคุณทัสสาเราจะทําอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงจากผู้ปฏิบัติธรรมที่มีอัตราตัวตนสูงเดินเข้ามาเปิดสนทนาเพื่อ ย, ยกตนยกตนข่มท่านคนประเภทนี้จะ ให้อยากมุดดินหนีจากกลุ่มคนประเภทนี้ครับก็มุดไปสิผู้เจ้าบอกให้เราทําตัวเป็นเหมือนดินเนี่ยเราอย่าไปเป็นใหญ่กับเขาสิเนี่ยมันเราก็อยากจะเป็นใหญ่เหมือนกันเราก็เลยรับความใหญ่เขาไม่ได้แต่ถ้าเราทําตัวให้เราเป็นเล็กเสีอย่างก็จบม อ, องเขาว่าเขาเป็นเจ้านายเราเราเป็นแจ๋วเราเป็นคนรับใช้เขาไปเขาจะพูดอะไรเขาก็ว่าอะไรแล้วก็รับฟังครับผมครับผมข้าเจ้าค่าอะไรก็ว่าไปมันก็จบ ปัญหาก็คือเราก็อยากจะเป็นใหญ่เหมือนเขาเมื่อใหญ่ใหญ่กับใหญ่เจอกันมันก็ชนกันนะมันก็แหลกเหตุนี้ถ้าเขามาใหญ่เราต้องไปเล็กแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าใหญ่กับใหญ่แล้วเสือสองตัวอยู่ในถ้มเดียวกันไม่ได้กัดกันตายาคำถามต่อไปจากคุณนกหนูนั่งสมาธิแล้วจิตเกิดความรู้สึกแปลกอัศจรรย์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเกิดความกลัวเลยออกจากสมาธิครับ ขอคำแนะนำพระอาจารย์ในการต่อสู้กับความกลัวที่เกิดจากความไม่รู้ด้วยครับอ๋อก็มันก็ถ้ามันเป็นมหาจันรร์ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่วิเศษและไม่น่าจะไปกลัวมันนะเพราะว่ามันไม่สามารถทำลายใจเราได้มันเป็นเหมือนกับภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยภาพในจอมันจะยิงกันระเบิดใส่กันยังไงมันก็ไม่ไปทาให้จอแตกนะใจของเราก็เป็นเหมือนจอภาพเนะี่ย แล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจมันก็เป็นแค่เหตุการณ์ในจอภาพนั่นเองมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันจะรุนแรงขนาดไหนถึงกับระเบิดเป็นเสี่ยงๆไปมันก็ไม่มาทำให้ใจเราระเบิดได้ถ้าใจเราหวั่นไหวก็ใช้สติควบคุมใช้พุทโธพุทโธไปท่องใจพุทโธพุทโธไป แล้วเดี๋ยวมันก็ใจเราก็จะเน่งแล้วก็จะไม่ไม่วิตกไม่หวาดกลัวจะรู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างาภายในใจของเราคำถามจากผู้ฝักถามด้านหน้ากุติครับยามที่เราป่วยเหมือนจะภาวนาอะไรแทบไม่เป็นเลยครับจเจริญสติก็เอาความกลัวความปรุงไม่อยู่พอทำได้ก็คือสวดมนต์ก่อนนอน เวลานอกจากนั้นก็กลัวและกังวลแต่ก็พยายามพุโทโธบ้างครับสวดมนต์สั้นๆระหว่างวันบ้างหรือดูร่างกายบ้างแต่เวลาส่วนใหญ่ความกังวลเอาไปหมดครับขอคำแนะนำด้วยครับก็ต้องพยายามบังคับให้มันพุโทโธให้มากขึ้นให้สวดมนต์ให้บ่อยขึ้นเราทำอะไรนี่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในท่านั่งถึงจะสวดได้หรือพุโทโธได้เราพุโทโธได้ในทุกกิริยาบท นึกสวดมนต์ภายในใจได้ในทุกอิเลีาบทพยายามท่องอิติปิโสไปพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกฉามิไปเรื่อยๆไม่นานอ่ะถ้าใจอยู่กับการสวดเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องความกลัวต่างๆไปแล้วความกลัวมันก็จะหายไปเราก็หยุดสวดได้พอมันเริ่มกลับมาใหม่เราก็ค่อยสวดใหม่ ทำอย่างนี้ไปตอนที่มันเกิดความกลัวนี่ต้องขยันต้องพยายามอย่าปล่อยให้ใจไม่มีการสวดไม่มีการบริกรรมเพราะมันยิ่งคิดมันยิ่งมันยิ่งกลัวใหญ่ดังนั้นต้องหยุดคิดให้ได้หยุดคิดด้วยให้มันมาคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธหรือพุททางสารนังกระฉามิหรือสวดอิติปิโสไปถ้าเราสามารถสวดได้ไปสักห้านาทีรับประกันได้ความวิตกความเครียดต่างๆจะหายไปชัว่วคราวเราก็หยุดได้ แล้วพอมาเริ่มกลับไปคิดใหม่แล้วก็พูดโทรใหม่เริ่มสวดใหม่แล้วต่อไปเราจะเห็นว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของร่างกายมันอยู่ที่ใจเราไปคิดถึงมันเองร่างกายมันไม่เดือดร้อนอะร่างกายมันเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืน ม, มันจะตายมันจะเป็นอะไรมันไม่มันไม่มีความหวาดกลัววิตกกังวลใจที่ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายกับไปวิตกกังวลไปหวาดกลัวเพราะความหลงทนั้นเองหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรา ของเราเราก็เราอยากจะให้มันอยู่ไม่ให้มันเป็นอะไรเท่านั้นเองนั้นเรามีวิธีแก้เนี่ยแก้ด้วยสติพยายามคิดพุดโทโธพุโทโธไปเวลาที่เกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาด้วยสวดอิติปิโสไปสวดบทไหนสั้นๆก็ได้แต่สวดหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเบาจะเย็นจะสบายขึ้นมาเราก็หยุดได้แล้วถ้ามันกลับมาใหม่ก็อค่อยสวดใหม่ แล้วต่อไปเวลามันจะกลับมาแล้วอาจจะไม่ไม่คิดก็ได้คิดไปทำไมคิดไปก็ไม่ได้มันกลับทำให้เราทุกข์ไม่ได้ทำให้ร่างกายมันหายหายเจ็บหายป่วยให้ไหนร่างกายมันก็ลงเป็นไปตามววละของมันมันจะหายมันก็หายถ้ามันยังไม่หายมันก็ไม่หายถ้ามันจะตายมันก็ตายแต่ใจของเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันหรือคิดในทางทางความเป็นจริงที่ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราเถ้านั้นเอง ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเราจะไปทุกข์กับเขาทําไมคนเดินที่เราไม่รู้จักเขาเป็นอะไรเราเดือดร้อนนะคนในโรงพยาบาลตอนนี้มีกี่คนจะเป็นจะตายมากน้อยเพียงไรเราเฉยๆเพราะเราไม่ได้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามันก็เป็นอะไรของมันแต่เราก็ไม่ได้เป็นตามที่เราคิดกันใจของเราไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายเพั้นพยายามรักษาใจโดยการใช้สติในเบื้องต้นไปก่อน แล้วก็ใช้ปัญญาในขั้นต่อไปสอนใจว่าปล่อยวางไม่ใช่ตัวเราของเราคำถามจากคุณทองลมหายใจสามารถฝึกเป็นกรสิณลมได้ไหมครับถ้าได้ต้องฝึกอย่างไรครับก็เหมือนกันอะ่ะลมหายใจก็จะเรียกว่ากรสิณก็ได้มันเพียงแต่ชื่อเป็นสิ่งที่เราใช้ไปการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่าง ถ้าเราเพ่งดูลมก็เรียกเรียกเป็เพ่งก ร, กระสินลมนะการดูลมมันก็เป็นการกรสินอย่างหนึ่งแต่เราไม่เรียกว่ากสินนะแม้ว่าเป็นอาณาปณะสติลมเข้าลมออกกสินนี้เข้าหมายถึงพวกผ้าพวกแสงพวกสีมากกว่าสีต่างๆเช่นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวให้เรานั่งหลับตาแล้วนึกถึงสีนั้นขึ้นมาในใจเราให้มันปรากฏในใจเราเป็นแต่สีแดงอย่างเดียวหรือสีเขียวอย่างเดียว การที่จะทําให้ปรากฏได้ใจเราต้องเราต้องเพ่งต้องนึกถึงสีแดงสีเขียวมันก็จะทําให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับการดูลมแต่มันยากกว่าเพราะมันต้องใช้จินตนาการต้องจิตเราต้องต้องนึกถึงสีที่เราต้องการจะใช้เป็นกสินแต่ลมมันง่ายกว่าเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราเพียงแต่เฝ้าดูมันเฉยๆเท่านั้นเองเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆต้องการให้ใจหยุดคิด พอใจหยุดคิดแล้วใจจะนิ่งจะสงบจะมีความสุขจะมีพลังจะมีอุเบกขาจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิน้นอันนั้นแหะคือผลที่เราต้องการแต่ต้องฝึกสติให้มากๆต้องไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาให้มันอยู่กับเรื่องใดก็ต้องให้มันอยู่กับเรื่องนั้นเพียงอย่างเดียวคําถามต่อไปจากคุณกิติพัฒนผู้ที่มีตาทิพย์ ขณะที่นั่งกรรมาฐานมีโอกาสบรรลุธรรมมากน้อยแค่ไหนครับคือตาทิพย์นี่มันไม่ได้เป็นมรรคน่ยมันไม่ได้เป็นทางสู่การบรรลุธรรมการจะบรรลุธรรมต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ทั้งภายนอกใจและภายในใจเป็นไตรลักษณ์ไม่เทียมมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นเป็นปรากฏการทางธรรมชาติไม่มีใครทําให้มันเกิดไม่มีใครทําให้มันดับถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกข์ขึ้นมาอันนี้ต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยการคิดด้วยเหตุด้วยผลไ ม, ไม่ใช่เป็นเรื่องของตาทิพตาทิพหมายถึงเห็นกายทิพต่างๆเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นอะไรอย่างนี้เรียกว่ากายทิพ การเห็นพวกนี้ก็เหมือนกับ ก, การเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปดูสัตว์ไดโนเสาร์อะไรอย่างนี้มันไม่ได้มาทําให้เราเกิดปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ในใจของเราได้ความทุกข์ในใจเกิดเกี่ยวจากความหนงการไปคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่ความจริงไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับได้ตลอดไปได้บ้างบางเวลา ร่างกายเราตอนนี้เราก็ควบคุมบังคับไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในระดับหนึ่งแต่พอถึงเวลามันจะเจ็บขึ้นมาเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเราก็ปล่อยวางเสียก็ดูแลมันไปตามอัตภาพรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ก็ปล่อยให้มันตายไปเท่านั้นเองอันนี้คือปัญญาที่จะทำให้เราบารรลุธรรมต้องเห็นใจรักในสภาวะธรรมทั้งปวง คำถามจากคุณจรัญญาโยมกําหนดสติระลึกขอบคุณลมหายใจตลอดเวลาได้ไหมคะรู้สึกว่าการขอบคุณลมหายใจที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของร่างกายนี้ที่ให้โอกาสได้ปฏิบัติธรรมก็ความจริงไม่ต้องการให้คิดแม้แต่คําว่าขอบคุณก็ไม่ให้คิดให้รู้เฉยเพระาะถ้าคิดมันก็จะไม่นิ่ง เราต้องการให้ใจนิง่งไม่ต้องไปขอบคุณมันหรอกมันไม่รู้ว่าอะไรทั้งสิ้นหรอกมันก็หายใจมันก็ทําตามหน้าที่ของมันไปเท่านั้นเองอย่างแต่ถ้าเริ่มต้นคิดว่าจะขอบคุณมันแล้วทําให้ใจเราอยู่กับลมได้ก็ขอบคุณไปสักระยะหนึ่งก็ได้พอมันไม่ไปไหนแล้วมันไม่คิดอะไรแล้วเราก็หยุดขอบคุณไปแล้วก็ดูเฉยนะ คำถามจากคุณชยดาเป็นคนขี้ลืมครับมักจะต้องคิดล่วงหน้าตลอดเวลาต้องวางแผนงานว่าต่อไปต้องทำอะไรเตรียมอะไรบ้างไปจนถึงวันนี้พรุ่งนี้แบบนี้เรียกว่าไม่มีสติหรือไม่ครับอาจจะเป็นเรื่องของวิตกต ก, กังวลต่างๆกลัวจะลืมก็เลยพยายามที่จะเตือนใจบ่อยๆ อ, อันนี้ถ้ามัน มันบางทีมันก็มีประโยชน์เพราะบางทีถ้าลืมมันก็ไม่ดีบางทีเราจะทำอะไรไัดจักกใครไว้แล้วลืมมันก็ทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้าคิดมากเกินไปมันก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านได้กยาบางทีก็อย่าไปคิดเขียนในกระดาษแทนก็นแล้วกันแล้วนานๆก็เปิดดูสักทีหนึ่งก็ได้อย่าไปคิดตลอดเวลาเราต้องการหยุดความคิดคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม การพูดกับบุคคลที่สถือว่าผิดศีลข้อสหรือยังครับบุคคลที่สาถ้าพูดความจริงไม่ผิดหรอกจะพูดกับใครก็ไม่ผิดถ้าไปพูดโกหกไม่ไพูดกับใครมันก็ผิดทั้งนั้นคําถามต่อไปจากคุณอธทิวิทถ้าเราจเจริญปัญญามาถึงจุดหนึ่งแล้วเวลาที่เราบังเอิญไปเข้าใกล้ งูตุกแกแล้วเราเกิดเห็นสภาวะความกลัวผุดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วดับไปไหวๆขึ้นมาที่กลางอกในบางครั้งก็มีอาการสะดุ้งบ้างไม่สะดุง้งหรือบางครั้งก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรแต่คิดว่าจะเดินออกมาห่างๆอย่างไรเพราะเป็นสัตว์ที่มีพิษครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่ถูกต้องขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับก็ต้องไม่กลัวเลย ถ้าเจออะไรแล้วใจเฉยๆได้นะ่ะดีที่สุดส่วนจะปฏิบัติอย่างไรก็ใช้เหตุผลได้ถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่อันตรายไม่ควรเข้าใกล้ก็ถอยออกได้แต่ไม่ควรใจไม่ควรที่จะหวั่นไหวหรือตกใจถ้าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายในยตอนนั้นก็ยอมให้มันเกิดเอ้าอยู่ตรงนั้นให้ให้อยู่ที่การปล่อยวางร่างกายว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องจบ จบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคำถามจากคุณกิติพัฒนอานิสงของการรักษาสินอุโบสถมีอะไรบ้างครับก็ทำให้เรามีเวลามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่ถือสิน8เดี๋ยวเราก็กินเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวได้ไปช้อปปิ้งไปดูหนังฟังเพลงได้ไปงานปาร์ตี้ได้อางนี้พอถือศิน8เช่นเกินวันที่ส1เลองถือศินแดดูสิ ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่วัดไหว้พระสวนมนต์ข้ามคืนกันแต่ถ้าไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวก็มีงานเพื่อนเขาจัดงานปาร์ตี้ก็ต้องไปแล้วงานที่สงก็คือทำให้เราได้มีเวลาได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นหมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญถามได้นะช่วงนี้ยังพอมีเวลาอยู่บ้าง ๋ยวนั่งรอสักแป๊บหนึ่งเผื่อมีใครกำลังส่งข้อความเข้ามาศีลแปดก็มีหน้าที่เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองเพื่อเราจะได้เอาเวลาที่ใช้กับกิจกรรมเหล่านี้มาใช้กับการปฏิบัติกับการฟังเทศฟังธรรมเพราะมันมีคุณประโยชน์มากกว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร แต่ความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นตอนนี้เป็นความสุขปเดียวปดาวเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปฉลองวันปีใหม่เขานาวเสร็จลุ่งขึ้นก็ปวดศีรษะง่วงนอนไม่ได้นอนวันดีไม่ดีเจ็บไข้ได้ปว่วยตามมาความสุขที่ได้ก็หายไปหมดแต่ถ้ามาอยู่ปฏิบัติธรรมถึงวันเวลาไปทำงานตื่นแต่เช้าจิตใจยังกระปีก้กระเป๋ายังสดชื่นยังสบาย ใจเบาใจไม่ทุกข์กับอะไรใจมีความสุขในใจในความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติมันจะอยู่ในใจได้นานกว่างั้นนี่คือประโยชน์อยากจะถามอะไรป่ ะ, ะเดี๋ยวส่งไม้ไปให้หน่อยออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมนหลัว่ากพูดในไม้จะได้ยินมยไม่ได้ยิน ค่ ะ, อ, ะอยากจะสอบถามว่าถ้าหนูเคยแบบว่านุ่งขาวผมขาวอย่างเงี้ยค่ะไปปฏิบัติธรรมแต่ทุกครั้งที่หนูไปหนูมักจะเจอแบบว่าเหมือนจะบอกว่าเป็นผีอะไรอย่างเงี้ยคือเห็น ด, ด้วยตาของเราทุกครั้งจนหนูไม่กล้าไปมันเป็นอุปทานของเราใจเราพอไปอยู่ในที่นั้นแล้วปรุงแต่งเปไ็นไงถ้าถ้าเราเห็นคนเดียวเนี่ยถ้าเห็นกันทุกคนก็ไม่ใช่ แต่เห็นเราเพียงคนเดียวแสดงว่าเป็นเรื่องของใจเราปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีหรอกส่วนใหญ่พอใจเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆที่แปลกๆขึ้นมามันเริ่มคิดปรุงแต่ง ข, ขึ้น ม, มะเราก็หยุดมันด้วยการพ่องพุทโธพุทโธไปพอมันเริ่มเห็นอะไรกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธธรรมรุสังโฆอะไรไปเดี๋ยวเดียวพอใจมันไม่ไปคิดมันก็หายไปอ ต้องมีสติถ้าเราไปปฏิบัติต้องอย่าอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้ใจเนื้คิดยิ่งไปอยู่ที่เปียวๆที่เงียบๆมันจะคิดถึงเรื่องผีเสื้อส่วนใหญ่ครับอาจารย์นะมีอีกไ้ยคำถา ม, ถาม ท, ทางเฟซทางยูทูบอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ<ช> เ, เวลาที่เราอยากจะคำว่าอยากนะคะอยากจะ ชวนเพื่อนใกล้ชิดเนี่ยมาวัดมาฟัง ร, รมนะคะแล้วเป็นการสร้างอุบายให้มาเนี่ยค่ะถือว่าเป็นกิเลสหรือเป็นการเป็นบาปอย่างหนึ่งไหมคะก็ อ, อยู่ที่ว่าเราเราอยากแล้วเราทุกข์กับมันหรือไม่ไม่ทุกข์ค่ะ ถ้าเราอยากแล้าไม่มาแล้วเราเสียใจหรือเปล่าไม่ไม่เสียใจค่ะเสียใจเขาไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นกิเลยเป็นการดึงชวนคนให้ไปในทางที่ดีแต่ถ้าเขาไม่ไปก็ต้องจบอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจนะลองแสดงว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาค่ะแล้วถ้าเขามาด้วยแล้วเขาชวนเราไปเที่ยวต่อเนี้ยค่ะอันนั้นเราผิดเพราะการไปเที่ยวไปตามไปหาหาความทุกข์การไปทำไปไปปฏิบัติธรรมไปหาความสุขที่แท้จริง เราก็ต้องปฏิเสธเข้าไปปฏิเสธเลยเหรอค ะ, อะเขาอุตมะอุตส่ามาด้วยแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรก็ราะไม่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องไปตอบแทนกันก <c oughs> ็ให้เขาให้ขเขาชวนเราไปปฏิบัติธรรมที่อื่ตอนต <c oughs> ่อก็ <c oughs> าอาจจะคิดไปอีกในมิติหนึ่งได้ไหมคะว่าอาจจะเป็นการปฏิบัติธรรมในอีกบริบทหนึ่ง <c oughs> มันไม่เป็นการปฏิบัติธรรมหรอกถ้ามันทํามันตอนนี้มันมารู้กันไปหมดแล้ว ครับขอบคุณคะ่ะครับคำถามจากคุณวัฒนพง์หากนั่งสมาธิแล้วนิ่งไปเลยเหมือนหลับพอรู้สึกตัวอีกทีจิตมีความรู้สึกสว่างขาหายไปครับแบบนี้คืออะไรครับก็หลับเฉยถ้าไม่หลับมันต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาอาจจะหลับเป็นบางช่วงก็ได้บ้างยังไม่หลับตลอดเวลา คำถามจากคุณวิทวัตผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าจิตกับกายแยกออกจากกันแบบนี้จะทําอย่างไรต่อไปครับก็นั่งต่อไปดูลมต่อไปพุโทโธต่อไปอย่านั่งเฉยๆนอกจากว่าจิตมันนิ่งสงบแล้วไม่คิดปรุงแต่งอะไรก็นั่งเฉยๆอยู่กับสภาวะความว่างได้ถ้ามันนิ่งจริงๆมันทุกอย่างมันจะหายไปหมดเนื้อแต่ใจอยู่ตามลาพัง คือตัวรู้จะรู้รู้อยู่แต่ตัวรู้แต่แต่ไม่มีอะไรให้รู้นอกจากความว่างคำถามจะคุณสุขพัชราทิพย์เมื่อขณะที่เรากำลังกำหนดอยู่ในอาณาปานสติเมื่อลมค่อยๆแผ่วจนเหมือนลมดับไปจิตผ่านเข้าสู่ปิติแล้วนิ่งอยู่ครับจิตไม่กำหนดใดๆเลยมีแต่นิ่งเราควรจะเดินสติอย่างไรต่อไปครับก็อยู่กับความนิ่งไป พยายามรักษาความนิ่งอย่าปล่อยให้ใจคิดขึ้นมาถ้าใจจะคิดก็ให้หยุดมันไม่ต้องทำอะไรคำถามจากคุณตีคัตนาถึงขั้นพระโสดาบันต้องละความกลัวความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมครับคือยอมหยุดเย็นใช่ใช่คือไม่กลัวเพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราและห้ามมันไม่ได้ อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางยอมยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมหยุดเย็นคำถามจากคุณธนวันถ้าเราต้องการทำบุญทำทานเพราะอยากสะสมบุญให้มากๆแบบนี้ถือเป็นกิเลสหรือไม่ครับไม่หรอกการทำบุญทาทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมนี้เป็น เป็นทางสู่การดุจพ้นจากความทุกข์แต่ต้องอย่าไปติดอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งเมื่อเราทําทานได้สมบูรณ์หมดหมดเงินหมดทองที่จะทํานะเราอย่าไปหาเงินมาทำบุญต่อเราไปปฏิบัติธรรมต่อไปบวชเลยถ้าไม่มีเงินมีทองนะต้องไปบวชเพราะไปบวชแล้วก็ไม่ต้องหาเงินหาทองมีมีที่อยู่ฟรีกินฟรีก็จะได้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปได้ คำถามจากคุณแดงบุญสะสมได้อย่างไรบ้างครับมันความสุขเความเย็นใจแล้วภาพภาพที่ดีต่างๆความจำที่ดีมันจะส ะ, ส, ะสมอยู่ในใจเราเวลาเรานอนหลับภาพที่ดีที่เราได้สะสมจากการทำบุญมันก็จะโผล่ขึ้นมานะในรูปแบบของความฝันดีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยถูกล็อกคอและจะถูกแทงตอนนั้นรู้สึกว่ายอมตาย นั่นหมายถึงใจเรายอมรับถือว่าดีแล้วใช่ไหมครับก็ยอมจริงๆหรือเปล่าถ้ายอมแล้วใจเราเย็นใจเราสุขใจเราสบายอันนั้นก็ก็จะเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราไม่กลัวความตายต่อไปเพราะว่าความตายแทนที่จะเป็นความทุกข์กับเป็นความสุขเวลาได้ตายอย่างยอมนี่ใจจะเย็นใจจะสุข นนก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องมีความสุขต้องมีความเย็นต้องมีความสบายถ้ายังมีความทุกข์ความหวาดกลัวอยู่ก็ยังถือว่ายังไม่ได้ปล่อยนะโอเคมีใครถามอีกไหมหมดแล้วนะยังนก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ